มีคนหนึ่งเขาพูดถึงความแตกต่างระหว่างเพื่อนนะกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยนะสอบได้เนี่ยครูก็บอกว่าเนี่ยฉันสอนเขาเองแหละส่วนแม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะฉันเอาใจใส่ในการเรียนของลูกพ่อก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นลูกของฉันเองแหละส่วนเพื่อนบอกว่างั้นเราไปดื่มกันไปดริ้งกันแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยสอบตกนะครูก็จะพูดว่าเนี่ย แกไม่ใส่ใจในการเรียนเลยเอาดีไม่ได้อะไรเลยสักอย่างส่วนแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาสอนเนี่ยนะเธอไม่ฟังเลยเธอเป็นเด็กขี้เกียจส่วนพ่อก็จะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลูกของเธอนะลูกของเธอคือลูกของแม่นะไม่ใช่ลูกของฉันส่วนเพื่อนบอกว่างั้นเราไปจิ้งกันคือไม่ว่าสอบได้หรือสอบตกนี่เพื่อนก็เหมือนเดิมนะคือว่าะชวนไปดื่มกันไอ้การไปดื่มเนี่อาจจะไม่ดีนะแต่ว่าสําหรับ คนหนุ่มหรือเดี๋ยวเนี่ยอาจจะรวมถึงคนสาวด้วยวัยรุ่นนะพูดง่ายๆเวลาสอบตกเนี่ยเพื่อนไม่ซ้ำเติมนะเพื่อนให้กำลังใจขณะที่ครูแม่พ่อต่อว่าซ้ำเติมอันนี้คือนะความแตกต่างระหว่างเพื่อนนะกับคนอื่นๆในชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นความเห็นนะ ของคนคนหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมไวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาต้องติดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่หรือเขาฟังเพื่อนมากกว่าฟังครูฟังพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเนี่ยเวลาผิดพลาดเวลาเจอความทุกข์เวลาสอบตกอ่ะ เพื่อนไม่ตำหนิเพื่อนไม่ซ้ำเติมนะกลับให้กำลังใจขณนะที่คนอื่นๆเนี่ยนะเวลาสอบได้เนี่ยเขาก็ต่าง อ, าอวดว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของฉันเป็นพราฝีเมืองฉันแต่พอเด็กสอบไม่ได้สอบตกอนะ่แต่ละคนก็ซ้ำเติมเลย ในความจริงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะในชีวิตของเรานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสําหรับคนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนมากเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้คนจำนวม่น้อยโดยเพราะวัยรุ่นเนี่ยนะเขาผูกพันกับเพื่อนมากนะเพราะว่าเพื่อนมีความเข้าออเข้าใจนะเพื่อนมีความให็นอกเห็ น, นใจไม่ซ้ําเติมนะ อันนี้ก็เป็นแง่คิดนะสำหบคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่นะว่าถ้าเราเป็นอย่างเรื่องที่เราเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ว่าทำไมเนี่ยเขาถึงเวลาก็มีความทุกข์เขาจึงไม่ค่อยมาหาครูหรือไม่ค่อยมาหาพ่อแม่หรือแม้แต่เวลาที่เขามีความสุขเขาสุขสบายดีเขาก็ เหินห่างจากครูเหิรนห่างจากพ่อแม่แต่ว่าติดเพื่อนมากกว่ารวมทั้งฟังเพื่อนด้วยที่จริงเหม่นไม่เฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนกันนะเรื่องนี้เนี่ยเคยเคยได้ยินนะเรื่องนี้ทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมานะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะภรรยาก็ชวนไปฟังธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง จากที่หลวงพ่อกําลังแสดงธรรมอยู่โทรศัพท์ของชายคนนี้ก็ดังขึ้นมากลางศาลาเลยหลวงพ่อนี่หยุดบรรยายเลยนะแล้วก็พูดต่อว่าชายคนนั้นว่าทําไมไม่ปิดโทรศัพท์ไม่รู้หรือว่าวันนี้เนี่ยเขาให้ปิดโทรศัพท์มือถือเวลาฟังธรรมเวลามาทําบุญเท่านี้ไม่พอนะ คนที่อยู่ในศาลาเนี่ก็หันมามองชายคนนี้สีหน้าหรือแววตานี่มันเป็นเป็นสีหน้าการตําหนิไม่พอใจท่านั้นไม่พอใจนะขากรรมเนี่ยใครที่นั่งรถกรรมเนี่ยภรรยาก็ต่อว่าเขาอีกนะว่าเนี่ยทําไมเธอมาวัดเนี่ยไม่รู้ระเบียบยังไงนะทําไมไม่ปิดโทรศัพท์ทำอย่างนี้นี่เสียหน้าฉนหมดนะ่ะชายคนนั้นเรียกว่า เย็นวันนั้นก็เลยเครียดเลยนะพอเครียดแล้วทําไงนะก็เลยแบะไปที่ผับบาร์ปกติก็ไม่ค่อยไปนะแต่ว่าตอนนี้เครียดมากนะก็คงไปหาเหล้ามาย้อมใจนะขณะที่กําลังดื่มเหล้าอยู่นะคนเดียวเนี่ยเรก็ด้วยความเครียดด้วยความกังวล น, นะใจไม่ค่อยอยู่กันเนี้อกับตัวเพราะถูกตําหนิมาทั้งวัน ก็เลยเผลอทำแก้วเหล้านี่ตกแก้วนี่แตกเลยนะเหล้านี่นองพื้นเลยเสียงดังไปทั้งผับเลยคนก็หันมามองนะที่แล้วคิดว่าเนี่ยคนรอบข้างนี่จะมาตำหนิเขาแต่พรากว่าหลายคนก็บอกให้ hey, ไม่เป็นไรนะผิดพลาดกันได้การเดียวกันเนี่ย พนักงานในผับเนี่ยก็ตรงเข้ามาเลยทีแรกก็นึกว่าเนี่ยจะมาต่อว่าคเขาแล้วปล่านะมาช่วยเช็ดถูช่วยเช็ดถูพื้นนี่มันนะมีเล่านองเก็บเศษแก้วคนอื่นที่อยู่ ใ, ใกล้ๆก็ช่วยกันเก็บเศษแก้วด้วยนะแล้วก็พูดกับเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันผิดพลาดกันได้ตอนนั้นไม่พอเนี่ย สักพักงนี้ยผู้จัดจา ก, การก็มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเติมเล่าให้ใหม่นะไอ้ที่แตกไปนี่ไม่คิดเงินโอ้จะปลื้มมากเลยนะนึกว่าจะถูกต่อว่านึกว่าจะถูกซ้ําเติมเพราะว่ามีแต่คนมาให้กําลังใจมีแต่คนมาปลอบเพราะว่านัดแต่นั้นมานี่ชาขนั้นก็ไปเที่ยวผับบาร์แห่งนั้นเป็นประจําเลย แต่ก่อไม่ค่อยไปนะแต่ว่าติดใจนะที่มีแต่คนเห็หนกเห็นใจนะคนให้กำลังใจส่วนวัดนี้เขาไม่ไปเลยนะ อ, อันนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ให้ข้อคิดที่ดีนะว่าเนี่ยทำไมบางคนนี่เข้าถึงติดใจในการไปสถานที่เราเรียกว่าอโครจรสถานสถานเรื่องลมเนี่ย ในการกินเหล้ามันไม่ดีนะนะในง่ชาวพุทธเราก็เป็นอบายามุกอย่างหนึ่งแต่คนจำนวนมากเนี่ยทำไมเขาเลือกที่จะไปนะกินเหล้านะหรือว่าไปสถานที่อย่างนั้นนะมากกว่าที่จะไปวัดนะทั้งที่วัดก็มีอะไรดีหลายอย่างนะธรรมะ ก, ก็ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันดึงดูดใจของคนจำนวนมากเนี่ย ก็คือใผับบาร์เนี่ยนะมันเต็มไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะเห็น อ, อกเห็นใจเข้าออเข้าใจนะไม่ซ้ำเติมซึ่งก็เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้คนหลายคนนี่จมอยู่ในอไบยมุกมากขึ้นเนะ่ที่วัดนี่มีสิ่งดีๆมากมายนะแต่ว่าคนไม่สนใจนะเพราะว่าคนในวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นสาวุชนเนี่ยนะเขาอาจจะเรียกว่า ชอบตาหนินะชอบกล่าวโทษเวลาใครทําผิดอะไรนะก็ตําหนิหรือบางทีซ้ําเติมนะเพราะว่ายึดมั่นถือมันในความถูกต้องมาเพรา ะ, ะนั้นผิดพลาดอะไรก็เลยนะก็เลยเจอนะคำำนําตําหนิจริงคําตําหนิมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือคนจํำนวนมากเนี่ยนะเขาจะรู้สึกนะ พึงพอใจนะกับการที่ได้รับความเห็น อ, อกเห็นใจนะได้รับความาเข้าออเข้าใจในเวลาผิดพลาดอะไรก็ไม่ซ้ําเติมนะและนี่แหละนัก็คือเสน่ห์ของเพื่อนนะที่ดึงดูดใจไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะแต่ว่าคนจานวนมากทั้งที่การดึงดูดใจแนละ้วเนี่ยอาจจะชวนให้เขาเนี่ยทําเป็นสิ่งที่แย่ลงก็ได้ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะซึ่งถ้าเกิดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่าารพระเราเนี่ยนะ เ, เข้าใจตรงนี้ เ, เวลาใครทำอะไรผิดพลาดนะเราก็ไม่คิดแต่จะไปต่อว่าซ้าเติมแต่พึทตะพือนะแต่ว่าพาเข้าใจใหหเห็นใจไม่ซ้าเติมมันก็สามารถที่จะเป็นแรงดึงดูดโน้มน้าวเชิญชวนให้เขานมาสนใจนะการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมหรือว่ามา พบเพื่อนที่เป็นกรเรียนณมิตรที่ปรารถนาดีกับเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์